วันนี้ก็อามาหัดนั่งสมาธินะพระเจ้าเขาบอกว่านั่งคูบัลลังใช่นั่งคูบัลลังกนะ็ง ค, งงคือเอาขาคูเข้ามานี่สายซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายก็อาที่ตันัดนั่นแหละแล้วก็ ทำกายให้ตรงดำรงสติไว้อยู่ที่จมพะหน้าจมพะหน้าแล้วก็เอามาไว้ที่ลมหายใจนิดของเรานี่แหละเอาไว้ที่ลมมันกระทบจมูกเราเข้าเราก็คอยสังเกตดูว่าลมมันกระทบจมูกเรานะเวลาที่ลมหายใจมันออกมันก็มากระทบจมูกเราตรงนี้แหละ เราก็เอาใจเราเนี่ยเอาความตั้งใจเราเนี่ยความใส่ใจความตั้งใจของเราก็เอามาไว้ที่สัมผัสของลมที่มันกระทบจมูกของเราส่วนลมมันจะเข้ามันจะออกยังไงก็ไม่ต้องไปใส่ใจมันมาก เราก็คอยมีหน้าที่คือเฝ้าเฝ้าดูว่าเนี่ยมันลมมันกระทบจมูกจะเข้าจะออกก็ปล่อยมันไปไม่ต้องไปบังคับลมมันนะว่าเอออันนี้ลมจะหายใจเข้าอันนี้เราจะหายใจออกก็ช่างมันเรามีหน้าที่คอยดูว่าเออนี่มานี่มันลมกระทบจมูกเราเนี่ อันนี้มันกระทบจูกเราอีกแล้วตรงนี้ลมมันจะเข้าลมมันจะออกมันก็ไม่ต้องไปตามมันดูมันอยู่จุดเดียวเนี่ยตรงนี้แหละแล้วก็ความรู้สึกตัว่อเป็นเรื่องสำคัญอย่าปล่อยให้ความรู้สึกตัวของเรามั น, มนเลือนไป อย่าปล่อยให้ความรู้สึกตัวของเรามันแช่เชียนไปไหนหลับตาก็ให้มันรู้สึกตัวชัดมันตอนที่ที่เราดึงตานี่ยแหละส่วนถ้ามันจะคิดก็ไม่ต้องไปใส่ใจมันเห็นว่ามันคิดมันเผลอส่งใจไปหาความคิดเราก็ดึงใจเรากลับมาไว้ที่ ที่ลมเหมือนเดิมแล้วก็ทำอย่างตั้งใจอะตั้งใจตั้งใจดูตั้งใจทำแต่ก็ไม่ได้ไปเคร่งเครียดกับมันนะตั้งใจแต่ไม่ ไม่เครียดทำเล่นๆแต่ก็ตั้งใจทำทำสบายๆนะเผลอบ้างอะไรบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติไม่ต้องไปไปเคร่งเคียดกันมันมากแต่เรารู้ว่าเราเผลอแล้วก็เอาใหม่ทำให้ทำให้มันดีตั้งใหม่ทำใหม่ ความใส่ใจความตั้งใจอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะความใส่ใจเราตั้งใจอยู่ตรงไหนเนี่ยกระแใสใจใจของเรามันก็ไปอยู่ตรงนั้นแหละถ้าเราอยากจะเราเห็นแต่ใจเรามันไปอยู่กับเรื่องอื่นหรือว่าไปสนใจอย่างอื่นมันก็ไม่ได้เรื่องได้ราอะไร ก็ได้สัก์แต่ว่าทําไปเฉยๆแต่ถ้าทำให้มันดีทำให้มันถูกเนี่ยมันก็ต้องเอาใจเราคอยสังเกตความตั้งใจของเรามันยังอยู่ในการงานของเราอยู่หรือเปล่าการงานที่เรามาคอยสังเกตลมหายใจเข้าหายใจออกหรือใครจะ หายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็แล้วแต่อันนี้มันก็เป็นวิธีการยังไงก็ได้ขอให้มันเป็นเครื่องผูกใจเครื่องผูกความใส่ใจของเราอันนี้มันถึงจะดีถึงเราจะมีลมหายใจเราจะมีคำบริกรรมพุทธโท ใจเรามันไม่ได้อยู่กับพุโทโธไม่ได้อยู่กับลมหายใจก็ไม่ได้เรื่องอะไรสักแต่ว่าทำความใส่ใจความตั้งใจที่จะทำมันไม่มีอันนี้มันก็ขึ้นชื่อว่าสักแต่ว่าทำไปเพราะฉะนั้นความใส่ใจความตั้งใจ จึงเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะคอยสํารวจตัวเราเรื่อยๆว่าความใส่ใจของเราตอนนี้มันอยู่ไหนมันเผลอไปทางเสียงที่เราได้ยินเราก็ดึงมันกลับมาตั้งใจใหม่ตั้งเอาไว้ที่ลมหายใจใหม่มันจะเผลอไปทางปวดหลังปวดเอวเราก็ไม่ได้ใส่ใจ เราก็ดึงความใส่ใจดึงความสนใจความตั้งใจของเราเอามาตั้งไว้ที่สติจำเพาะหน้าที่ลมหายใจ มันไม่หยุดคิดนะ่ะช่างมันจะไปห้ามความคิดมันห้ามไม่ได้นะถ้าเราตั้งใจมากแล้วมันหงุดหงิดมันฟุ้งซ่านแสดงว่าเราก็ขึงเครียดกับมันเกินไปคอยดูคอยเฝ้าแบบสบายๆนะเหมือนเราไปเที่ยวชายทะเลนอนพักผ่อน อาบลมทะเลแต่เราไม่ได้ปล่อยให้มันขนาดนั้นหรอกนะแต่หมายถึงว่าอารมณ์ในใจของเรามันก็ไม่ได้ขึงเครียดกับการงานที่เราทำอยู่จนเกินไปเราก็ทำอย่างสบายๆเลยนนะภาษาธรรมะเขาเรียกมีฉันทะคือความตั้งใจมีความยินดีมีความพอใจที่เราจะทำมัน มีฉันทะมีฉันทะในการทำงานแล้วก็อย่าปล่อยให้ความรู้สึกตัวมันแช่เช่อนไปอย่าปล่อยให้มันหายไปเงียบไปเราเห็นลมอยู่ เราเห็นความสบายอยู่แต่เราไม่เอาใจส่งลงไปเราเอาความรู้สึกตัวของเราเนี่ยที่มันเจ่มชัดความสงบในใจที่มีอารมณ์ในใจที่มีมันสงบลงไปเราก็รู้แต่ไม่ให้มันดึงความใส่ใจความสนใจของเราออกไป จากลมหายใจจากสติเฉพาะหน้าจากสติที่มันรู้เห็นกายความรู้สึกนี้อยู่ แต่ถ้ามันหาความชัดเจนไม่ได้นะเราก็ดึงดึงลมหายใจยาวๆสักสองครั้งสามครั้งเนี่ยให้มันเห็นให้มันรู้สึกถึงว่าเออกายนี้นี่มันนั่งอยู่มีสติเห็นกายอันหนึ่ง เห็นใจอันหนึ่งอารมณ์ในใจก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรารู้เราเห็นนั่นแหละแต่มันไม่ใช่เราเราก็อย่าให้มันมาครอบใจเรา อย่าทิ้งสติลงไปให้มันเชียนเฉียนเลื่อนไปนะถ้ามันเลื่อนไปมันแชเชียนไปแล้วก็เอาสติมาไล่ดูนี่เลยเกระโหลกศลีรษะเราเป็นยังไงนี่อันนี้กระโหลกศีรษะตรงเบ้าตาเรานี่อนนี้ตรงกรามอันนี้ฟันตรงนี้ อันนี้กระดูกไหปละอันนี้กระดูกซี่โครง อย่าปล่อยให้มันลอยฟุ้งๆออกไปให้มันรวบ ม, มาจออยู่ที่ที่ลมหายใจไนะ ทำาไม่เนนกระดูลมยาวๆซะหน่อยกะดูลมยาวก็ได้มันก็มีได้ทั้งหมดนั่นแหละลมยาวลมสั้น อย่าลืมว่าความใส่ใจของเราอยู่ที่ลมหายใจนะงานงานนะตอนนี้ก็คือให้ใจสังเกตลมหายใจ ลมมันละเอียดลงไปแล้วก็เอาความรู้สึกตัวชัดๆเนะี่ยเอาอันนั้นแหละไม่ต้องไปดึงลมถ้ามันละเอียดลงไปแล้วก็เอาความรู้สึกตัวนัว่นแหละประคองเอาไว้ สิ่งที่เราอยากได้นี่เราไม่อยากได้ลมหายใจหลักจริงๆนะจริงๆเราอยากได้ความรู้สึกที่มันเห็นลมอยู่นั่นแหละความรู้สึกตัวที่มันชัดๆอยู่ที่จมพ่อหน้าเราที่มันหดลมหายใจเนะี่ยแต่ประกองความรู้สึกอันนี้อันนี้ไว้ได้ก็จะดีมาก ความคิดอะไรมันก็เข้ามาอยู่เรื่อยเนีเราก็แค่ไม่ใส่ใจมันนะอยากคิดก็คิดไปมันอยากจะมาเมื่อไหร่ก็ช่างหัวมันเราก็ไม่ได้ใส่ใจมันแล้วก็ไอ้เพื่อน2องะเพื่อน2คืออะไรเพื่อนสองคื อ, อ, อ, อ, คอโอ้เดี๋ยวต้องทําอย่างนี้เออเดี๋ยวเร า, า ง, งีงี ไอตัวที่มันคอยกระซิบกระซาบอยู่อันนั้นก็อย่าไปใส่ใจมันมันคอยกระซิบเราอยู่เรื่อยนั่นแหละแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาล้าก็อย่าไปใส่ใจอ ย, อยากระซิบก็กระซิบไปเราก็ไม่ใส่ใจ กเหมือนเหมือนเสียงก็ดีเหมือนความคิดก็ดีเราก็ไม่ได้ใส่ใจเราก็จดจ่อมีการงานอันเดียวนี่แหละก็คือคอยเฝ้าสังเกตลมหายใจของเราไปเรื่อยๆ จะเห็นเป็นกระดูกศีรษะก็ได้กระดูกตรงโหนกแก้มล้วเป็นอย่างนี้ต่อด้วยฟันตรงนี้อยากจะดูอย่างนั้นก็ได้ ถ้ามันนิ่งแล้วก็อย่าไปป่อยตามตัวนิ่งๆนะตัวนิ่งๆเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรารู้ได้แต่เราอย่าไปใส่ใจมันถ้ามันนิ่งแล้วก็ดูตัวที่มันนิ่งๆน่ยแหละมันจะนิ่งไปยังไง